อธิปฏิปัจจัยยี่สิปสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอธิปฏิปัจจัยได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน ทำขันที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาอธิปติปัจจัยสำหรับเหล่าอสัญญสัตยพรมจากขววิญญาณทำจากขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายยาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติธรรมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะหน้าอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปฎีธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานรำอัตยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น<ว> <ทำ S 1> เพรา ะ, ะนอธิปติ <จะ S 2> <ำ>ปัจจัย <forget> ได้แก่คันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตะสมุทฐานรูปธรรมะหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นยี่สิบสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติธรรมสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพา น, นให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนั่นอธิปฏิปัจัยได้แก่ ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานทำสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนัอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ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 ทำขันสองจิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัยได้แก่อธิปฎีธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานทำขันที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน และธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นณอนันตระปัจจัยเป็นต้นส0สเพราะณอนันตระปัจจัยเพราะณสมันันตระปัจจัยเพราะณอัญญมัญญะปัจจัยเพราะณอุปนิสัยปัจจัยเพราะณปเรชาตปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระมีเจ็ดวาระเพราะณปัจชาชาตปัจจัยพึงเพิ่มให้บริบูรณ์ณอเสวนปัจจัยสสิบเอด สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนัอเสวนาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนัอเสวนาปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปทำขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถ et ึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนอสสวะนัปัจจัยได้แก่สำหรับเราอสัญญาสัตพรมจกขูวิญญาณทำจักรยายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน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 ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะอืออาศัยวณัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตะสมะุทฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ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 ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณอสเสวนาปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและธรรมะเทวถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองจิตตสโมทานรูปทำขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและธรรมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานทำสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน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 ทำสภาวะธรรมทีท่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนักธรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานทำขันท like, ี่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานเจตนาที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน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 และธรรมทเทวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนัรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติกทำขันที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานและธรรมทเทวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนวิปากับปัจจัยเป็นต้นสามสิบสาม สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนวิปากับปัจจัยพึงเพิ่มให้บริบูรณ์ไม่มีในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะน่อาหารรปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอก ที่มีอุตุเป็นสมุธฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรมเพราะหอินทริยปัจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุธฐานที่มีอุตุเป็นสมุธฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรมรูปปัจจิวิธินีธรรมหาภูตรูปให้เป็นปัจัยเกิดขึ้นเพราะหนาชานะปัจัยได้แก่ปัญจวิญญาณที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุธฐานที่มีอุตุเป็นสมุธฐาน สำหรับเหล่าอสัญญาสัตย์พรมจกักโหวิญญาณทำจกักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายญาติณะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนามัมักครับตัดใจได้แก่สภาวะธรรมที่เป็นอเฮธุกะซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานสำหรับเหล่าอ <asury> สัญ ญ, ญ, ญ, ญาสัตย์พรมมหาภูตรูปจกักขหวิญญาณทำจกักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณ ทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอเหตุกะซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานธรรมทายวัตถุเพราะณสัมยุญตปัจจัยเพราะณวิปุญตปัจจัยเหมือนกับปฏิจจวาระมีสามวาระเพราะโนนติปัจจัยเพราะโนวิคตะปัจจัยสองปัจจะปัจจนยะสองสังคยาวาระสุทไน สามสสี่ณเหตุปัจใจมีสี่วาระณอารมณะปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีสิบสองวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระ ณอาศัยวณัจจัยมีสิบอดวาระนกรรมปัจจัยมีเจดวาระณวิปากปัจจัยมีสิบเจดวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนติปัจจัยมีห้าวาระ นวิคตปัจจัยมีห้าวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจนียจบสปัจจญานุโลมปัจจนียเหตุทุกข์นัยสามสห้าณารมณปัจใจกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีสิบสองวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระ ณอุปาณิสยปัจจัยมีห้าวาระนปเรชาตปัจจัยมีเจวาระณปัจชาชาตปัจจัยมีสิบเจวาระณอเสวณปัจจัยมีสิบอดวาระนกรรมปัจจัยมีเจดวาระณวิปากปัจจัยมีสิบเจวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสมวาระโนนติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ พึงนับอย่างนี้อนุโลมะปั จ, จนิยะจบสปัจจยะปั จ, จิญาณุโลมนเหตุทุกขนัย 36. ิอารามณปัจจัยกับนเหตุปั จ, จัจมีสี่วาระอนันตระปัจจยและถึงมีสี่วาระสมนันตระปั จ, จัจมีสี่วาระสหาชาติปั จ, จัจมีสี่วาระอัญญามัญญะปั จ, จัจมีสี่วาระ นิสยปัจใจคำนเหตุปัจใจมีสี่วาระอุปานิสยปัจจใจละถึงมีสวาระโุเรชาตปัจใจมีสี่วาระอารเสวณปัจใจมีสี่วาระกรรมปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาราปัจใจมีสี่วาระอินธิยาปัจใจมีสี่วาระชานะปัจใจมีสี่วาระมขะปัจจัยมีสามวาระ สัมปยุตตปัจใจมีสี่วาระวิปยุตตปัจใจมีสี่วาระอธิปัจใจมีสี่วาระนัตถิปัจใจมีสี่วาระวิคตะปัจใจมีสี่วาระอวิคตะปัจใจมีสี่วาระพึงนับอย่างนี้ปัจญิยานุโลมจบปัจญยวาระจบนิจยาวาระเหมือนกับปัจญยวาระ ปัญคามิติกระหสังขตะวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจัยสามสิบเจ็สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดรกคนกับสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สาเกิดรกรุงกับขันธ์หนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ ขันสองเกิดรัคนกับขันสองสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดระคนกับสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดระคนกับขันสองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดรัคนกับสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน เพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามเกิดระคนกับขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดระคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะอารามณปัจจัยเป็นต้น38สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดระคนกับสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเพราะอารามณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะอนันตระปัจจัย เพราะสมนันตรปัจจัยเพราะสหะชาตปัจจัยเพราะัญญามัญญปัจจัยเพราะนิสยปัจจัยเพราะอุปาณิสยปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยเพราะอาศุวนปัจจัยเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิบากะปัจจัยเพราะอาหาระปัจจัยเพราะอินทริยปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมัคคปัจจัยเพราะสัมบยุตตปัจจัยเพราะวิบยุตตปัจจัย เพราะอาธิปัจจัยเพราะ น, นัตถิปัจจัยเพราะวิคตาปัจจัยเพราะอวิคตาปัจจัย 1. ปัจญานุโลม 2. ส, สังคยาวาระสุทนยัย39เก้เหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติ ป, ปัจัยมีสามวาระอนนตรปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจัยมีสามวาระ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 มัคคปัจจัยมีสามวาระสำปายุตตปัจจัยมีสามวาระวิปายุตตะปัจจัยมีสามวาระอถิปัจจัยมีสามวาระนัธิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจญิยะหงอวิพังขวาระนเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเปรตระคนกับสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเปรตระคนกับขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกรตระคนกับสภาวธรรม ท colo, 3, 1, colo, awesome. ี่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่เป็นอหิยตุกะซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดรัคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอหิยตุกะณอาทิปติปัจจัยเป็นต้นสี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดรัคนกับสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ เพราะหน้าอธิปติปัจจัยเพราะหน้าปุเรชาตะปัจจัยเพราะหน้าปัชชาชาตะปัจจัยเพราะหน้าอเสวณปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดรกรกขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดรกับพันสองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดรคนกับสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเพราะหน้าอเสวณปัจจัยได้แก่ เกิรัคนกับขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานในปฏิสนธิขณะเพราะนกรรมปัจจัยเพราะนวิปากปัจจัยเพราะนาฌานะปัจจัยเพราะนมะข้าปัจจัยเพราะนวิปุยตะปัจจัย 2. ปัจยปัจจนียสองสังคยาวาระสุทนยัย42่นเหตุปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยมีสามวาระ นาปูเรชาตะปัจจัยมีสามวาระนปัจชาชาตะปัจจัยมีสามวาระนอเสวณาปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนาชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะขาปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบสาม ปัจญานุโลมปัจญียะสี่สิบสามณอธิปติปัจจัยกเพตุปัจจัยมีสามวาระณบุเรชาตปัจจใจละถึงมีสามวาระณปัชชาชาตปัจจัยมีสามวาระณอเศวณปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระพึงนับอย่างนี้ อนุโลมปัจจนิยะจบ 4. ปัจญญาปัจญิยานุโลม44่สิรามณะปัจจัยาาจกับหน้าเหตุปัจจัยมีสองวาระอานันตระปัจจัยมีสองวาระสมนันตะระปัจจัยมีสองวาระสหาชาติปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระ boxer, นิจญาปัจจัยจมีสองวาระอุปัิญญาปัจจัยมีสองวาระ บรชาตปัจจัยมีสองวาระอสิวะนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปัสสปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาราปัจจัยมีสองวาระอินทริยปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยมีสองวาระมัคคัปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสำปรยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระ อธิปัจจัยมีสองวาระนัตถปัจจัยมีสองวาระวิคตะปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ญานุโลมจบสังสัทธาวาระจบสามปยุตตวาระเหมือนกับสังสัทธาวาระ คาเมติกะเจ็ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยสี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยเหตุปัจจัย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 โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันและกัตตารูปโดยเหตุปัจจัยอารมณ์ปัจจัย46สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศณนั้นพิจารณากุศณ์ที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระเเสขะพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นพระเสขะหรือปุถุชน เห็นแจ้งขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจฉาอุทัจจะโทมนะจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติด้วยเจยโตปริยญาณอากาสาเนินใจยตนะกุศล เป็นปัจจัยแคลวิญญาณัญจายตนาคุศลโดยอารมณะปัจจัยอากินจัญญายตนาคุศล์เป็นปัจจัยแกเนวสัญญาณาสัญญายตนาคุศล์ขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่เอธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะากรร ม, มูปคัคขญาณและอนาคตังสายญาณโดยอารมณะปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่พระอรหันต์พิจารณากิเลสที่ละได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติด้วยเจโตปริยายาน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 จิตุบาที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมอากาสานัญญาตนะกุสล์เป็นปัจจัยแก่วิญญาณนัญญาตนะวิบากและกิริยาโดยอารามณะปัจจัยอากินจัญญายตนะกุสลเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะวิบากและกิริยาโดยอารามณะปัจจัยขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยานปุเพนิวานุสติยาน ยถากรรมูปัคขยานอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจใจ47สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยอารมณะปัจจัยได้แก่พระเสขะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรครู้จิต ข, ของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานด้วยเจโตปริยญาณ ขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่เจตวปริย า, ยานปุเพนิวาสานุสติยานและอนนาคตังสัยานโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยอารมณะปัจจัยได้แก่พระอรหันต์ออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรครู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน ด้วยเจโตปริปยญาณขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสศติญาณอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัย48สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยอารมณะปัจจัยได้แก่พระอาหารหันต์พิจารณาผล พิจารนานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลและอวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยพระอรหันต์เห็นแจ้งจากสุโ ด, ดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งสวัสดิหาทายวัตถุขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยที่ประจักษขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาต์ รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญญา ย, ยตนาคตริยาเป็นปัจจัยแก่วิญญาณาัญญา ย, ยตนาคตริยาโดยอารามณนัปัจจัยอากิ น, ยายนัญญายตนาคตริยาเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนาคตริยาโรปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขววิญญาณโพธพายตนะ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 พระเศคาะพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคจรภูและโวทานโดยอรมณนาปัจจัยพระเขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปราศจากความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมนะจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตะมทัยวัตถุ ขันที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนุตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารูความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นราคาจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาอุทจัจโทมนัตเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขูฟังเสียงด้วยที่ประโสตาธาตรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร่องพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นเหตุ ให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานด้วยเจโตปริยญาณขันที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณ ป, ปุเพนิวาสานุสิสติญาณและอนาคตังสยานโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแกสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยอารมณปัจจัยได้แก่ นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอารมณะปัจจัยอธิปฏิปัจจัย49สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาทิปติและสหชาตาธิปติอารมณนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ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 อ, ธ, อจจ ธ, ธิ ป, ป, ปดีธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานโดยธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่ RISADAS จิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหาชาตาทิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยห้าสิ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 อธิปฎิธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูป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 นิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลโดยทิปฏิปัจจัยสหชาตาทิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่แสงปรยุทธ์ขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียว คืออารมนาทิปติได้แก่พระเสขะพิจารณาผลให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นพิจารณานิพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพานเป็นปัจจัยแก่โคจรภูและโ ว, วทานโดยทิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินหาทยวัตถุขันที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลิน เพราะทำความยินดีเพลเพลินโสตะเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมานาทิปฏิได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอธิปฏิปัจจัยอนันตระปัจจัยห้าสิบสองสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโดยอนัตตราปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานซึ่งเกิดหลังๆโดยอนัตตรปัจจัยผวังขจิตเป็นปัจจัยแก่อาวชนะจิต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 เป็นปัจจัยแข่ขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติโดยอนันตระปัจจัย